อภิชาและโทมนัตนะโทมนัตก็คือความไม่สบายใจความทุกข์ใจความสวยอารมณ์ที่ไม่ที่เป็นทุกข์อันนี้เป็นเจโตสัมผัสนั่นเองกิริยาความทุกข์ใจนี่เป็นอะไรเป็นโทสะหรือเปล่าโทสะเป็นสภาพที่ประทุสร้ายอารมณ์ที่เกิดพร้อมกันกรนะตนในชื่อว่าโทสะเขาประทุสร้ายใจหรือประทุสร้ายกายโทสะเนี่ย ปัทุสร้ายกายด้วยปัสทุสรายใจด้วยปัสทุสล้ายตนเองหรือผู้อื่น <Okay. S 1> ผู้อื่นด้วย <laughs> ทำที่เกิดพร้อมกับตนก็คือโทสะเนี่ยนะเขาปัสทุสร้ายโทสะแล้วก็ทำที่เกิดพร้อมกักบโทสะด้วยเพื่อ <laughs> ทำที่สามารถปัสทุสร้ายเองและตนเองคือโทสะสามารถปัสทุสร้ายกายและใจและตนเองและผู้อื่นได้ด้วย <laughs> ลักษณะอย่างหนึ่งก็คือความดุร้ายของจิต เหมือนงูเห่าที่ถูกตีด้วยท่อนไม้ที่ดูร้ายน่ะกาลังขูฟ่ฟอปอปๆ อ, อยู่แน่ น, น่ะนั่นแหละสภาพที่เป็นเหตุถึงความดูร้ายกายและจิตกิจราศาสก็คือแผ่ถ้าโทสะเกิดขึ้นมาแล้วก็แผ่ไปทั่วร่างกายเลยเนี่ยทำให้รูปไม่ดีเกิดไหมเปลี่ยนแปลงรูปประกายไหมท่านอุปมาประดุดังฟ้าผ่าน่ยกิจราศาสของโทสะเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยหน้าก็เปลี่ยนที่จริงมันเปลี่ยนมาตั้งแต่เนี่ยใจเนะย ปรทุสลายตั้งแต่ที่ตั้งตั้งแต่ธรรมที่เกิดพร้อมกั บ, กบตนตัวเขาเองด้วยแล้วก็ธรรมที่เกิดพร้อมกับเขาภาษาเวทนาสัญญาสรุปเวทนาขันธ์สัญญาสังขารละขันธ์วิญญาณขันทรูปประขันธ์นพลอยถูกถูกประทุสลายด้วยเริ่มตั้งแต่าหายะจแล้วถูกกรรมชรูปเริ่มจากจิตตชร้อโแล้วก็มากกรรมชรูปอุตุและอาหารชรูปโทั้งหลายแล้วก็แผ่ไปทั่วการราชากายเลยเลยรู ป, ปกายเปลี่ยนสีเลยเหมือนฟ้าผ่าว่างั้นเหมือนฟ้าผ่า นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นกิจระสาปปัจจุประธานนะก็คือทาที่ทําลายกายและใจแล้วก็ทําลายประโยชน์คือความเจริญด้วยนะคือว่าเหมือนศัตรูที่ได้โอกาสแล้วพอศัตรูเขาได้โอกาสเขาทําลายไหมหมอเขาทาลายเลยเนะี่ยส่วนประทัดฐานเขาเรียกว่าอาคาตรวัตถุดุดปัสสาวะเน่าที่ผสมยาพิษ เน่ความโกรธความปองละผู watering, ้นี้เคยทําความเสื่อมเสียให้กับเราผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียให้กับเราผู้นี้จักทําความเสื่อมเสียให้กับเราแล้วคิดบอกว่าผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสียแก่คนที่เรารักผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียกับคนที่เรารักผู้นี้จักทําความเสื่อมเสียกับคนที่ที่เรารักผู้นี้เคยทําประโยชน์ความเจริญให้แก่บุคคลที่เราเกลียดนี่ยมีตรงนี้แปลกไหม เออโทรสามีวิจิตมากเลยเขาทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดก็ไม่ชอบใจเอาใครเคยเป็นัหมมีเลยกํ <c oughs> าลังทำประโยชน์ให้กับคนที่เราลังเกียจ <c oughs> ผู้นี้จะทำประโยชน์ <c oughs> ความเจริญให้กับคนที่เราเกลียดชังแล้วก็ความความกโกรธความกโกรธที่เกิดโดยเหตุที่ไม่สมควรท่านใช้คําว่าอัธนาโกปะความกโกรธที่เกิดเพราะเหตุที่ไม่สมควรนะที่ไม่ใช่เหตุ กรธฝนตกหนักฝนไม่ตกร้อนจัดแล้วก็แดดไม่ร้อนลมพัดแล้วก็ลมไม่พัดเนี่ยนะีถ้าเป็นผ้าเขาก็พูดถึงในด้านของใบโพล่วงไม่มีคนกวดกวาดไม่กวาดใบโพล้วก็โกรธล้าเกิดวันนี้ทําไมมีใครกวาดใบโพลแล้วก็ลมพัดแรงนุ่งผ้าไม่ได้ผ้ <laughs> านี่นุ่งลาบากนะถ้าลมพัดแรงๆใช่ไหม ก, กโกรธโกรธเพราะเป็นพระเป็นผ้าซาบงนะนุ่งยาก ไอ้ลมก็แรงอยู่ข้างนอกด้วยโอ้โหลำบากโกรธี น, นั่นแหละแล้วก็สะดุดตอ่ออย่างเราก็นั่นแหละกระโถนบ้างสะดุดตามที่ต่างๆบ้างเนเออในในชั้นของดีกาเนดีกาท่านขยายต่อในชั้นของมูลดีกาด้วยบอกว่าผู้นี้ไม่เคยทำประโยชน์ความเจริญให้แกเรา เขาไม่เคยทําประโยชน์ให้กับเราเนื้อท่านท่านวิจิตไปอีกเคยเคยคิดไหมว่านคนนี้ไม่เคยทําประโยชน์ความเจริญให้กับเราเล ย, เยโกโรธดิ๊ <c ười> เคยเป็นไหมเอออย่างเงี้ย <c ười> แล้วก็ผู้นี้บัดนี้กําลังจะไม่ทําประโยชน์ให้กับเราด้วยเรามองหลายครั้งแล้วยังไม่ทําเลยเนี่ยเนี่ ย, <c ười> ยไม่ไม่ไม่แล้วก็ผู้นี้จักไม่ทําประโยชน์และความเจริญให้กับ พิจารณาไปแล้วคนนี้แสดงว่าจะไม่ทําประโยชน์ให้กับเราเลยโกรธก็อีกนินึ่งผู้นี้ไม่เคยทําประโยชน์ความเจริญแก่บุคคลที่เรารักแล้วก็กําลังไม่ทําประโยชน์ด้วยและความเจริญให้กับคนที่เรารักแล้วก็จักไม่ทําประโยชน์และความเจริญให้กับคนที่เราลักแล้วก็ผู้นี้ไม่เคยทําความเสียมเสียให้กับคนที่เราเกลียดชังโอ้ตัวนี้เห็นไหม เราเกลียดใครอยากให้มีใครไปทำร้ายคนนั้นไห ม, ไมาบางคนเป็นนะใช่ไหม ม, มัน ม, มีคนขับรถไปนะขับรถรถรถวิงว่งๆๆไปนี่นะแล้วมีคนนึงก็ขับแล้วก็แซงโกรธก ด, ด, ด, ดเบรคเสร็จใช่ไหมแล้วพอไปข้างหน้าเบรคเสร็จใช่ไหม มันไปรถคันหน้าวิ่งมาเร็วๆน่าจะช น, น, ใ, น, โหโหโนใช่ไหมเขากลับเบรกค่ายให้คนนี้ไปโหโกรธรถกันหน่าใช่ไหมน่าจะน่าจะจัดการให้มันเรียบร้อยไปซะอะไรเงี้ยโกรธเลย <_ c oughs> ผู้นี้ไม่เคยทําความเสี่อมเสียแต่ผู้ที่เราเกียรติชังผู้นี้บัดนี้กําลังไม่ทําความเสื่อมเสียให้กับคนที่เราเกียรติชังเนือจักไม่ทําความเสี่อมเสียต่างๆนี่ท่านท่านขยายเขาว่านี่ก็จะโกรธไม่ใช่เหตุ แสดงไว้หลายที่นะนี่โทมนัตทท้งนั้นแหละนี่โทมนัตอภิชาและโทมนัตทําให้ใจเหือดแห้งแล้วก็ถูกทําให้บอกว่าในโลกนี้ด้วยเหตุนั้นกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกนี้จบจิตตานุปสนาในสตรีฐานวิพังต่อไปท่านก็ขยายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน44ประการเป็นไหนหดูก่อนภิสูุทั้งหลายพิสูจในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกทั้งหลายอยู่เนี่ยนะเนี่ยสติปัฏฐาน4เป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ท่านใคพิจารณาเลยว่าจิต22ประเภท นี่แหละจะเข้ามาในหลักของการปฏิบัติแล้วโดยอนุปัสนาเจ็แล้วแต่เนี้ยนะในปฏิสัมพิธามรักในกุตกาลนิกายท่านยกมาถึงเนี้ยนะพิจารณาเห็นจิตในจิตอย่างไรเล่าอันนี้แล้วแต่นี้โอโ้โหพิจารณานี้ยุยาวเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยย่อมพิจารณาเห็นหนึ่งจิตมีราคะโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้หลังจากวิจัยจนละเอียดล อ, อแล้วนะ ถึงจะมาแบบเนี้ไม่ใช่ยัวๆพิจารณาจิตที่มีราคาโดยความเป็นของไม่เที่ยงทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้สภาวะลักษณะของจิตไม่รู้ปัจจิตาลักษณะของจิตเลยแต่ละประเภทใช่ไหมอาจิตมีราคาเป็นยังไงอย่างาเมื่อกี้อาจิตมีราคาจิตที่ประกอบด้วยโลภะเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละลักษณะของโลภะที่บอกยึดติดน่นในอารมอย่างเงี้ยไม่รู้ลักษณะของโลภะเลยจะไปกําหนดว่า จิตที่มีโลภะจิตที่มีราคะโดยความเป็นของไม่เที่ยงยากไหมอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้แล้วฉันถึงบอกว่าในกรณีที่จิต ท, ที่เป็นโลภะนี่นะท่านบอกว่าอารามมนาคหานารคันโนมีการยึดอารมณ์เป็นลักษณะนี่คือโลภะลักษณะของโลภะจิตโลภะดวงที่หนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยดวงไหนก็ต้องยึดอารมณ์เป็นลักษณะบนเลย ที่บอกว่าเหมือนลิงนี่แหละที่ยกมาสักครู่นี่แหละเนี่ยลักษณะ ข, ของโลภะนี่แหละเป็นธรรมชาติที่เหมือนลิงติดตังนี่แหละยึดอย่างงั้นแหละดุดกาวนั่นเองกิจจรัศาสาก็คือมีการติดแน่นในรมดุดชิ้นเนื้อที่โย น, นไปในกระทะที่ร้อนนี่แหละติดในรมเป็นกิจโลภะจะเป็นอย่างงี้ติดอย่างเงี้ยอันนี้แปลว่ารู้ลูกกิจของโลภะแล้วอาการปรากฏเป็นยังไงไม่สามารถทิ้งอารมณ์ได้ดุดขมเหลวน้ํามันที่ติด ผ้าสนิทเลยเนี่ยนะมีการไม่สละเป็นอาการปรากฏมาจากคำว่าอปริจาคะปะจุปทานโนไม่สละก็คือว่าไม่ยอมอะไรไม่สามารถทิ้งอารมณ์ได้ดดขมเหาน้ำมันที่ติดผ้าสนิทติดสนิทยอยู่ในผ้าเลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะมีการไม่สละ ส่วนปัฏฐานมาจากคำว่าสังโยชนิยธรรมเมสุอา ส, สาทัศนะทิปทัฏฐานโมมีการเห็นตรงนั้นน่ะแปลงไงดีตัวนี้ต้องแปลว่าเทตินั่นเองศ ท, ทิอันเห็นว่าสวยงามในธรรมอันเป็นอารมณ์แห่งสังโยชนธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน ไปเห็นการมมาธรรมว่าสวยงามเป็นเห็นรูปธรรมอารมณ์ธรรมไปเห็นโลกียธรรมว่าสวยงามนั่นแหละนั่นแหละเป็นโลกียธรรมว่าสวยงามเออเป็นมีการเห็นชอบใจในสังโยชนียธรรมเป็นเหตุใกล้ก็คืออย่างนี้ไม่บอกว่าเทตถีเห็นว่าสวยงามในธรรมมันเป็นอารมณ์แห่งสังโยชน ถามว่าคําว่าโลภายึดอารมณ์นั้นน่ะไม่เพียงแค่รับอารมณ์เท่านั้นแต่ต้องยึดติดแน่นไม่ทิ้งอารมณ์ด้วยด้วยอํานาจความยึดติดแน่นด้วยตัณหาโลภานี่นะท่านถึงเหมือนกับไอเหมือนกระลิงเนะี่ยตรงนี้ก็แปลว่าทิฏฐิที่ไปใส่ใจผิดว่าเห็นว่างามพอไปเห็นว่างามไปเห็นว่าดีเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ลองคิดบ่อยๆที่โอ้โหอย่างงามเนี่ยต้องใส่ใจด้วยทีนะเขาก็ตัณหาก็เกิด ต้องใส่ใจด้วทุกอย่างเนี่ยนะเราจะใส่ใจให้ตัณหาเกิดก็ได้ง่ายมากการมองให้ตัณหาเกิดเพราะอัธยาศัยของสัตว์เน่ยชํานาญอยู่แล้วเอาไปที่ทำต่างเนี่ยโอ้งามมองนี้แต่แต่มันต่างกันกับเมตตาเนะี่ยการที่จะทําให้เมตตาเกิดกับการที่จะทําให้ตัณหาเกิดต่างกันถ้าเมตตาทํำยังไงเมตตาเนยโยนิโส ข, ของเมตตาได้แก่แล้วฮะ โยนิโสของเมตตาทำยังไงเนี่ยทำยังไงดีฮะถามว่าเมตตานี่มองยังไงมองคนอื่นแล้วมองเห็น ป, ประทั ฐ, ฐานของเมตตาคืออะไรประทั ฐ, ฐานของเมตตาได้แก่ได้แก่มโนป่าภาวะไงภาวะที่เห็นเห็นจุดดีของสัตว์ทั้งหลาย มองเห็นจุดเด่นของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหตุใกล้ขี้เห็นจุดเด่นเขาได้เพื่อจะเป็นอารมณ์หล่อเลี้ยงแก่การที่จะทําให้เมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนเกิดคือคนทุกค น, นมีทั้งจุดดีจุดเด่นใช่ไหมมีมีมปัจฉิรเนี่ยเขาเรียกโยนิโสมนัสการคือการมองดูมนาป่าภาวะสิ่งที่น่าพึงใจเนะี่ยสิ่งที่น่าพองใจจุดดีของสัตว์ทั้งหลายก็คือว่าจุดเด่นของสัตว์เนะี่ย เช่นมองไปที่ยอมวรวัตรถ้าเห็นยอมบวรวัตรกาลังนั่งหลับสมมุติไงนะถ้าเราจะไปมองจุดด้อยคือการหลับเนี่ยโอ้โหโทษสาเกิดไมเลยมองจุดดีเลยอาจุดดีอยู่ตรงไหนคนกําลังนั่งหลับทําบาปอยู่อ่ะอยู่ตรงไหนดีสมมุติคนนั่งหลับแล้วแล้วแล้วทำบาปอยู่เราจะเห็นจุดดีของศาสตร์ที่ทําให้เกิดเมตตาได้ไงมองตรงไหนอาจจะมองตรงไหนสมมติเห็นคนกําลังนั่งหลับนั่งหลับฟังธรรมอยู่ แล้วจะมองอยังไงามีตรงไหนดีตรง น, นั้นนามมาทำดีไหมเป็นกุศลเรือกุศลแล้วรูปธรรมที่สรรพงกดีไหมเอา้าตรงไหนดีอาอา้ายมีั้งฮะจุดดีมีเยอะใช่ไถ้าจะมอง โอ้โหขนาดใช่ไหมยังยังพยายามมาฟังใช่ไหมเออแล้วยอมบรวัตเนี่ยการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มาด้วยกุศลกรรมบท10มาด้วยศีลห้านนีนยนี่จุดดีทั้งนั้นเลยเนี่ยเพียรพยายามตลอดเลยแต่ก็ยังละไม่ได้ขอให้ละถีนมิทะได้สักวันใดวันหนึ่งโดยเร็วพันโดยง่ายโดยสะดวกโดยเร็วนะคิดเงี้ยเห็นไมเนี่ยจุดดีนี่จุดเด่น นี่มองนี้มาจุดเด่นนี่เมตตาเกิดใช่ไหมขอให้ออกจากกลุ่มอกุศลธรรมอันลามกได้โดยเร็วโดยพันโดยสะดวกเถิดขอเป็นกําลังใจช่วยก็ไปสะ ก, กิดหน่อยดีไหม <c oughs> เมตตาทางกายออกเลยแต่เนี้ยไม่ใช่ทางใจอย่างเดียวนะบอกคุณคุณอย่านั่งหลับฟังธรรมนะพระศาสดา บ, บอกว่าห้ามเพราะจะเป็นบาปเงี้ยนะ เขบอกงี้ก็เลยได้ทั้งกายกรรมได้ทั้งวจีกรรมได้ทั้งมโนกรรมที่เป็นเมตตาหมดเลยใช่ไหมทัศกิจด้วยโทรศัพท์บนี่ยงวัดหลับก็หลับเฉยๆอย่ากลนดังได้ไหมรบกวนผป๋องท้าวทำไมรบกวนผมท <laughs> ้ า, าวท <laughs> าไ ม, มผมหลับตื่นก็เพราะคุณนี่แหละแ <laughs> สดงว่าทั้งคู่เลยแ <laughs> สดงว่าทั้งคู่ไหมแบบนี้ย <laughs> ทั้งคู่เลย <laughs> ที่จริงก็คือมองเนี้ยมองจุดจุดเด่นจุดดีแต่แต่โลภะต่างกันคือเมตตามองด้วยโยนิโสโลภะมองด้วยอยโยนิโสที่บวกกับอิมิฉาทิเทีย่ยนี่มันต่างกันอย่างนี้ไงมันเห็นจุดงามจริงแต่มันเป็นงามเพื่อเป็นปัจจัยแก่โลภะแต่เห็นจุดดีอันนั้นเป็นจุดดีเพื่อเป็นปัจจัยแก่เมตตา ฉันต่างกันนะตัณหาเทียมเนี่ยเมตตาเนี่ยไอ้ไอขอพายโลพาเนี่ยเป็นตัณหาเทียมเป็นเมตตาเทียมเออขอภายไม่ใช่แต่เป็นเมตตาเทียมเห็นไหมถ้าเรารู้จักปัจจัยฐานของสภาวธรรมแล้วเนี่ยเราจะสามารถบริหารใจเป็นเมตตาได้แทนที่จะให้โลภาเกิดเพราะถ้าเราไปมีทิฏฐิที่ใช้คําว่า ทิฏฐิที่เห็นว่าเนี่ยในชั้นของคําสอนบาลีท่านใช้คําว่าอโยนิโสใช่มอายโยนิโส <on> ไม่ใช่สังโยชนะสังโยชนิยดมเมสุอทัทสนะอัสาททัศนะทิปัฏฐานโนเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่เห็นว่าสวยงามในธรรมมันเป็นอารมณ์แห่งสังโยชน อุปาทานขันห้าเนี่ยเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่เราไปมีทิฏฐิว่าขันห้าเนี่ยสวยขันห้าห้านางามหรือรูปขันอย่างๆธรรมดาอะไรนี้า ง, งามเงี้ยลองที่เข้าไปตามสถานที่ต่างๆที่ตามถนนหนทางต่าง ๆ, างๆเยอะแยะเบ็ดเสเร็จใช่ไหมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตน่ยมองให้เกิดโลภะก็ได้เพราะไปมองแบบลักษณะเป็นทิฐินี่แหละไปเห็นว่างามไปเห็นว่าดีมองมากๆโลภะก็เกิดโลภะก็เกิด นี่ไงเขาถึงบอกว่าถ้าไม่รู้รักขณะจะ จ, จะจะตุกขาโลภะและจะยกขึ้นสู่ตรัยลักษยังไม่ได้ไงนะยกขึ้นสู่ตรัยลักณไม่ได้เ พ, พิจารณาเห็นว่าจิตมีราคะโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนสราครังจิตตังอันนี้จะโตอนุปัสติโ น, นนีิจะตัวไม่ใช่ไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นของเที่ยงเนี่ยเห็นไหมการที่จะยกยกราคะจิตที่มีราคะจิตที่มีราคะขึ้นสู่ตรัยลักษเนี่ย แปลว่าสภาวรลักษณะของของราคะต้องชัดหรือยังต้องชัดแล้วตรงนี้อันนี้ก็อันนี้ก็แยกแบบนี้พอมองเห็นเนี่ยการเห็นลักษณะของโลภะกิจของโลภะอาการปรากฏเอะอาการปรากฏของโลภะเป็นยังไงเป็นแบบไห น, เ, นเหมือ น, เ, นเหมือนขมเหน้ามันติดเสื้อไงติดผ้างไงนี่อาการปรากฏเป็นแบบนั้นแหละประทัฐานคืออะไร ทิฏฐิที่สายใจผิดในในไหนไปทิฏฐิไปเห็นว่างามในอารมณ์เป็นที่ตั้งของสังโยชนิยธรรมก็ไปเห็นว่างามนิพพาานกันหน้าเอาเห็นว่าเห็นว่ารูปขันงามได้ไหมเห็นว่าเวทนาขันงามเห็นยังไงเอาเห็นยังไงเป็นไปได้หรือเวทนาขันเห็นว่างามได้หรือฮะก็เห็นว่าดีนั่นแหละได้ไหม ดีก usa, ็งามมันเดียวกันเลยหมอเห็นว่าสัญญาขันเห็นว่าสังขารลขันเห็นว่าวิญญาณขันเอาบางคนไปชอบใจโลภะตัวเองนะว่าโลภะของตนเองไม่เหมือนโลภะคนอื่นใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยไอตัวนี้ไอตัวทิถีตัวเนี้ยเออความโลภของเราไม่ค่อยน่าเกลียดหรอกไอคนนั้นโลภมากกว่าเราเยอะเลยใช่ไหมคือเราเวลา เวลาเรากินอาหารเนี่ยนะเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็รับประทานอาหารด้วยความเรียบร้อยใช่ไ้ยเราก็มีความ อ, ร, อร่อยได้ของเราเนี่ยดูดีกว่าคนคนนั้นหนก็ดูไม่ดีเป็นไหมนี่งไงลักษณะงี้ก็เรียกโลภะของตนเองดีกว่าโลภะของคนอื่นเห็ น, น, นก็กขขเขาเกิดกับโลภะ อ, อยู่แล้ว ก็ เ, เกิดกับโลภะอยู่แล้วเนื้อมีมีมีแล้วที่หนักไปกว่า น, นั้นบางคนเห็นว่าโทรศทของตนเองดีกว่าโทรศัพทของคนอื่น <c oughs> เพราะโทรศัท์ของเราเป็นไปกับการใช้ในการปกครอง <c oughs> ใช่ไหถ้าใช้โทรศัพ์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าลูกน้องเชื่อฝังใช่ไหมอย่างนี้เอะไรเคเป็นแบบนี้ไหมเนื้อยุรยยวรรษถ้าใช้โทรศัพท์พูดกับลูกเขาชื่วใช่ไหม รู้สึกลูกอยาฟังหน่อยทั้งนั้นดูไม่ค่อยฟังเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้พอทำตาทำทา่าตาถมึงถึงหน่อยเ อ, อ้ยชักฟังกันบางคนบางคนยังต้องถามยาม้ำมาลืมไหมว่เราเป็นพ่อตั้งต่อเอ๊ะแปลก จ, จะพูดบ่อยนะคำนี้นะพูดบ่อยมาก แนี่ตอนนี้ใครเป็นพ่อเป็นลูกกันใครเป็นแม่เป็นลูกกันมีการพูดคํานี้ย้ํากลัวเขาจะไม่รู้ว่านี่คือพอกุกถ้ากิเลสนี้ร้ายกาจแท้งั้นจิตที่มีราคาถ้ายกขึ้นสู่ความโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่เที่ยงนี่คือการเกิดดับนะคือการเกิดดับมีแล้วกับไม่มีนะ ถ้าเป็นทุกข์ก็ถูกทันทะคือความเกิดและความเสื่อมไปเนี่ยบีบคั้นทุกข์เนี่ย น, น, นะไม่ใช่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นสุขพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอัตตาย่อมเบื่อนนายไม่ยินดีนิพพานตติโนนันตติย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัดย่อมดับไม่ก่อให้เกิดย่อมสลาคืนไม่ถือมันนิเจประการนี่นะ กรณีอย่งการอนุปัสนาเจตจะเกิดขึ้นได้ต้องสภาวะลักษณะชัดแล้วเพราะสภาพของปัญญาปัญญาต้องไปแทงตลอดสภาวะลักษณะแล้วก็ต้องไปแทงตลอดสามัญลักษณะใช่ไหมลักษณะปัญญาต้องเป็นแบบนั้นปัญญาต้องไปแทงตลอดสภาวะลักษณะก็คือว่า ลักษณะที่โมหะปิดอยู่โมหะมันจะปิดลักษณะของสภาวธรรมปิดกิจของสภาวธรรมปิดอาการปรากฏของสภาวธรรมแล้วก็ปิดประทัดฐานเหตุใกล้ของสภาวธรรมโมหะจะปิดแต่ตัวยานปัญญาเนี่ยนะวิปัสนาญาณปัญญาจะไปเปิดไปเปิดสภาวะลักษณะแล้วเพื่อจะได้ยกสภาวธรรมรูปน้ํากันหะเหล่านั้นขึ้นสู่อนุปัสนาจิตทนายที่เนี่ยนะ ยกกระสืนุปัสนาเจตอนนี้ถ้าในพิจารณาจิต22ประเภทจิต22ประเภทนีลาดับเหเทศนานะแล้วก็เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละนิจสัญญาคือความจําหมายว่าเที่ยงได้เมื่อพิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์ก็จะละสุขสัญญาที่ไปเห็นว่ารวบน้ําขันห้าสุขเป็นต้นได้นะเมื่อพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็จะละอัตตาสัญญาได้ แล้วก็เมื่อเบือนนายนิพิทานุปัสนายานเกิดขึ้นก็จะละความยินดีได้เมื่อคลายกําหนัดคือวิราคานุปสนาเกิดขึ้นแล้วก็จะละความกําหนัดได้เมื่อนิโรธานุปัสนาพิจารณาเห็นความดับก็จะละสมุทัยยสัจจะเป็นต้นได้เนี่ยนะแล้วก็เมื่อสละคืนปฏินิสคานุปสนาเกิดขึ้นก็จะละความยึดถือได้นิพิจารณาเห็นจิตโดยการเจ็ดอย่างนี้จิตปรากฏไม่ใช่สติ อันนี้มาจากคาว่าจิตตังอุปัฐานางโนสตินจิตปรากฏไม่ใช่สติหมายความว่าจิตเป็นตัวผู้ถูกกาหนดสติเป็นตัวกาหนดนะสติเป็นตัวกาหนดสติปรากฏด้วยเป็นตัวสติด้วยอันนี้สติถูกกาหนดด้วยด้วยสติด้วยญาณปัญญาหลังๆที่เป็นพิจารณามีวปัญญานก็เรียกสติอุปัทานางเจวะสติจะมองเห็นไหม เิกษุพชจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้นด้วยดยยาณนะนั้นตายะสติยาเตนะยาเนนะตังจิตตังอนุปัสสติคําว่าเพิจารณาพิจารณาเนี่ยนะด้วยสติที่จริงต้องทําสติให้ยิ่งยิ่งเพื่อการเจริญพอกพูนแห่งสติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเพื่อการเจริญไปบู์แห่งญาณะหรือปัญญาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าสติปทานภาวนา ภาวาก็มีสอย่างทําทั้งหลายเกิดในการนั้นไม่ร่วงกันและกันอันนี้ท่านพูดถึงอินทรีย์ศรัทธาเวีรยรสติสมาธิปัญญาเป็นต้นที่ไม่ร่วงกันและกันอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอันเดียวกันมีกิจศรัทธาทํากิจอะไรอสัตถยะออกจากความไม่มีศรัทธาวิริยร์ก็ออกจากโกศชาคือความเกียดค้านอากุศลเป็นต้นได้สติก็ออกจากมุตตัสติคือการหลงลืมสติ สมาธิก็ออกจากวิเคปกคือความฟุ้งซ่านนะแล้วก็ปัญญาก็ออกจากกลุ่มสัมโมหะคือความหลงการทากิจเหล่านี้นะไม่ร่วงกันละกันเป็นทำรรกิจภาวนาด้วยเป็นทรรมที่เสพควรเจริญเป็นอาเสวนาเนี่ยนะนี่จิตที่มีราคะเอาตรงนี้ก่อนพักก่อนดีมเอาพักก่อนใครจะถามอะไรไหมตรงนี้เรียนยากไหมหมอฟังยากไห ไม่ยากนะก็ยากตอนไห น, ไ น, ไหนเ่อ า, อ, าเอาบ้ามา อ๋อคือเนี้ยคือในพระโพธิสัตว์เนี่ยสมถาวิปัสนาไหลในใจท่าน ค, ค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างดีแล้วเพราะว่าสิบหกส่งไข่นะสิบหกส่งไข่นีน่ผ่านพุระเจ้ามาฟังธรรมมาบวชมา ตรงนี้นตรงนี้<ม>ขาดการวิจัยขาดการคถ่ควรไปหมอต้องหมอต้องใถค่ควรเยอะกว่านี้แ ล, แล้วอีกอย่างนึงคือว่าในที่มีภิุทีมบอกว่าถึงกับ่า ต, ตายหรืออะไร่าน่เรื่องความที่นู้สกว่ามันแย่าากามันเ็มโคตรมากซึ่งอย่างของเราที่มันความรู้มันน้อยมากใช่ข้อมูล ในเรื่องของโทษของรูปรกคั่าใช่ก็คงจะต้องเรียนงทจนทคือคือประเด็นแรกก็คือว่าต้องเจาะต้องเ จ, งเจาะยายาฟังอย่าดูไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ว่าเรากลุ่มตัณหาจรลิตหรือทิฏฐิจรลิตก็เจาะ ให้เกิดความสะดุ้งสะเทือนและเกิดศรัทธาในพระเจ้าให้ชัดแต่นี้มันจะได้ตั้งหลักได้ในเบื้องต้นแต่นี้พอศึกษาพระธรรมแล้วจะเริ่มเข้าใจชัดแต่ถ้าหากว่ายังไม่สามารถวางวิธีคิดจนแข็งแรงได้นะจนแข็งแรงได้และหลักการที่มั่นได้ีนะนะแต่นี้มันก็จะไปเรื่อยๆเอยๆใช่ไมต้องฝึกในการกระตุน้นแล้วก็วางหลักอย่างที่บอกว่าเออเวลาเราน้อยนะ ในปัจจุบันพบยิ่งน้อยใหญ่โอกาสต่อไปที่จะมาพบพระธรรมของพระศ า, าสดายิ่งจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะตั้งหลักอย่างนี้ชัดแล้วที่พอพอจากแรงกระตุ้นตรงนี้การใส่ใจพระธรรมจะไม่เหมือนเดิมแต่เดิมมันอาจจะใส่ใจธรรมดาจะแร่นต่างอันนี้จะถูกกระตุ้นด้วยศรัทธาไหศรัทธาเป็นปัจจัยเก่วิริยะที่ถูกต้องวิริยะก็เป็นปัจจัยแก่สติสติเป็นปัจจัยเก่สมาธิปัญญา เริ่มเดินศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากับการเรียนและการฟังพระธรรมที่ถูกขึ้นก่อนไอ้ตรงนี้จะเป็นฐานข้อมูลในความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นและเมื่อต่อมาก็จะไปเจาะทะลุทรลงสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของสภาวะธรรมได้พ่อจะมองเห็นใช่ไหมจะเป็นอยางีง ก็คือเกี่ยวในเรื่องของการเจร<น>ิญอินทรีย์อ๋อใช้คาว่าจิตตังอุปปัฏฐานังโนสติจิตปรากฏไม่ใช่สติตรงนั้นนะ่ะพูดถึงว่าจิตที่มีราคะเป็นต้นเนะี่ยเป็นอารมณปัจจัยแก่สติฉะนั้นจิตจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ถูกกำหนด สติกกเป็นถูกกำหนดแต่สติเป็นตัวเข้าไปกำหนดนั่นคืข้อแรกส่วนคำว่าสติอุปัฏฐานางเจวะสติจะอันนี้สติปรากฏสติอยู่ในฐานะถูกกำหนดด้วยสติเกิดหลังๆ เ, เป็นในหมวดของที่ท่านประชุมคือจริงๆมาจากสายจิตนั่นแหละ แต่มาไข่ควรตัวสติที่เข้าไปรู้จิตอีกทีคือการเจริญจิตตาในหมวดนี้หมายความว่ารู้จิตที่มีราคาด้วยสติแล้วต่อมาก็ออกมากำหนดสติที่ไปรู้จิตที่มีราคาอีกทีพาอจะมองเห็นัหมมีสองตัวแค่นั้นเองตัวที่ถูกกำหนดกับที่ ผู้กำหนดสติในที่นั้นมีปัญญานานะอย่าลืมนะมีปัชนาปัญญานนะํานอะคำคำพูดถึงสตินะั้แปลว่ามีปัศนาปัญญานำนะนั่นแหละเขาเรียกว่าสติที่กรณีเห็นจิตปรากฏเนะี่ยไม่ใช่โนสติไม่ใช่สตินะตอนนั้นไม่ใช่สติฮนะจิตนะีปรากฏแล้วทำที่เกิดร่วมกับสติกั บ, ก, บกับจิตนะเป็นตัวปรากฏเนะี่ยจริงๆก็คือจิต ทีนี้สติปรากฏด้วยในที่นี้หมายความว่ามาไข้ควรพิจารณาสติสติตัวหลังไม่เป็นปัญญา ม, มีปัญญา น, นญญาคือในด้านของอนุปัสสนานี่ต้องมีปัญญานําหมดเลยใช่ใช่ใช่ต้องมีปัญญานาหมด